การสายฟ้าเขาขอสิบคนว่ามาเมือนหนึ่งส า, ายฟ้าอยูอ่ไหนอยู่ไหมมาส่งม่ไปไหนส่งไปหรวงว่าอยู่วัดหเหรอไมทราว่าปัจจุบัิใช้ได้ยังโจ๊าคะได้สิ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 มีความรู้สึกว่าดีกว่าเมื่อวานนะครับคื อ, อตอนเช้าตื่นตื่นประมาณตีสองนะครับอช่วงที่ตื่นขึ้นมาจะมีอาการที่ว่าอรับอรู้สึกมากขึ้นนะครับอ ต, ต, ตอนที่ตื่นขึ้นมาอไม่ได้ลุกขึ้นนั่งน ะ, นะครับก็ก็นอนนอนดูอาการไปเรื่อยๆนะครับอ่า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 คนนี้ไม่ชอบทำสมาสิมันก็ฟุ้งง่ายถ้าทำสมาสามากมันก็ซึมง่ายทื่อๆนิ่งๆรวมความแล้วก็คือทำอะไรนะั่ก็ผิดหมดเลยอ้าวเบอร์สี่เอสี่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะแต่รู้ว่าใจตอนนี้มันมีความสุขมากขึ้นเพราะเข้าใจอะไรที่ยังเคยสงสัยแล้วคิดว่าจะไปปฏิบัติค่ะตามที่หลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะทนทนทำอย่างที่หลวงพ่อบอก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 ไหนจูนโอ้ดีดีอาจารย์ได้หน้าได้หน้าได้ตานะ <Okay. S 1> พวกเรากลับไปกรุงเทพแล้วมีปัญหาอะไรนะก็ถามพีม่อาจารย์สุรวัตรเขา <Okay. S 1> ไม่ผ่าเราเข้าลูกเข้าพงเราถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องแล้วนะแต่คําว่าถูกต้องของข้อที่หลวงพ่อบอกแม่ไม่ชอบเลยถามแบบเนี้ยพราะอะไรรู้ไหมอย่างเราจะลงมาหาสมุทรลงทะเลใช่ไหม <Okay. S 1> ก้าวลงไปฟุตเดียวมันก็ทะเลใช่ไหม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 รู้สึกไหมกิเลสเยอะเห็นหรือย่างว่ากิเลสเยอะเยอะค่ะเห็นไหมนางมาร้ายอยู่ที่ไหนเจออยังเจอแล้ว <c oughs> มาวันแรกคลวง <g> พอบอกนะภาวนากับหลวงพ่อนะาภาวนาเป็นนะจะรู้เลยไอย้มาร้ายอยู่ที่ไหนกดค่มไว้ซะจนแบบไม่รู้ว่าคิดว่าความกโกรธมันหายไปแล้วค่ะแล้วก็ก็ต้องขอบที่เลี้ยงอะค่ะทําให้เห็นแบบโอ้โหแบบกโกรธจนนท่าอะไรแต่ก็พยายามกดไว้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 จริงอย่างที่หลวงพ่อบอกไม้มลังรลก็ชั่วคราวใช่ไหมกลัวก็ชั่วคราวอะไรไหไก็ชั่วคราวเนี่ยฝึกไปอีกนี้แล้วจะเห็นเลยทุกอย่างในกายในใจนี้ของชั่วคราวนี่แหละเรียกว่าปัญญาละถึงจุดหนึ่งจะปล่อยวางความยึดถือได้เบอร์สิบเบอร์สิบขอไว้สิบคนนี่ใช่ไหม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 ไปหยิบฉวยเอากายเอาใจขึ้นมาชาติโดยสับนั้นมันแต่ว่าความเกิดคือความได้มาซึ่งอายตนะตาปูจมูกลิ้นใจใจพูดง่ายๆก็คือได้กายได้ใจมาเนะพราะ อ, อะไรได้กายได้ใจมาเพาไปหยิบฉวยออกมานะวันใดที่ปัญญาแจ้งแล้วรู้ว่ากายใจนี้ตัวทุกร่วนๆจะไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาโดยไม่ต้องเฉื่อเชื่ให้ทิ้งนะักทิ้งเองเลย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 ที่ฝึอกอยู่ใช้ได้แล้วขอบคุณค่ ะ, ะเบอร์เบอร์อะไรเบอร์แปดเจ็ดสิบแปดหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนํำไหมครับโอ้พูดง่ายดีเห็นกิเลสย่างเพียบเลยครับดีนะรู้รู้ไปหน้าแต่ว่าใจวันเนี้ยมันบังคับมากไปนิดนึงใจแข็งเกินไปรู้ให้มันอ่อนโยนสบายๆครับ <C> rap, มั น, นมันเลาความรู้สึกมากไปนิดมันเพิ่งเป็นครับนะ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 พอคิดว่าคงไม่ได้ส่งกันบ้านแล้วแล้วก็เพิงสมัมผัสถึงความเป็นอนัตตาเมื่อก้นี่เองอคือช่วงนี้มันเห็นได้บ่อยว่าตัวเองลงไปคิดทั้งวันแล้วก็คือโ ม, อมอหะมันมีทั้งวันเลยแล้วมั น, ม, นมันเห็นบ่อยจนรู้สึกว่า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 แล้วก็ช่วงนี้ก็เห็นความคิดที่หนีไปบ่อยขึ้นนะหลวงพ่ อ, อดีนะใช้ได้นะนมะัสการค่ะหลวงพ่อ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 ไหนไม่ดือ้อดูไปเห็นครั้งสองครั้งนะก็ปล่อยวางห้าเบอร์สิบสี่นมักการหลวงพ่อค่ะสกตื่นเต้นไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าต่อไปมาจะขึ้นไปข้างไปข้างหลังหรือออกมาข้างหน้าเห็นไมสองแถวนี้มีใครตื่นเต้นบ้างไหถ้าว่าไปเบอร์สิบสี่คือตอนนี้ตื่นเต้นน้อยลงนะค ะ, ะมีความรู้สึกว่าถ้ า, ถ, าถ้ามันมีความ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 อาเบอร์หกสบสองนั่งลุ้นอยู่อยากให้ใส่ข้างหลังใส่มาขา้างหน้าก็มีโทรศัพท์พื้นนะคะแล้วก็ อ, อารมอื่นก็เปลี่ยนเข้ามาเป็นช่วงๆอะคะอ่ะเอาไปให้เบอร์สามพันหกหน่อยเบอร์สามพหกอย่าเสียใจขเขาประทุนจะกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้โยมที่เป็น อ, อยู่ก็คือโยมดูจิตนะค่ะ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 วันนี้ใครดูนะวันนี้อตาี่โมโหนิดหน่อยอ่ะนะวันนี้มันมีกระแสของโพสะวนๆอยู่ข้างในแล้วใครรูย้ยวไปทุกตีคุณพุทธนะสงสารเขาอ่ะเมื่อวานรามนาช่งชาวงเช้าติดไม่ค่อยตั้งมั่นแต่ว่าช่วงบ่ายมันค่อยลงถึงฐางนแอ่อพอช่วงเย็นๆมันเดินเดินไปนี่มันจะเห็นว่า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 พยายามตามรู้ตามดูแต่ก็ยังเผลอบ่อยมากทุกวันเลยอะให้มันเป็นธรรมชาติยิ่งกว่านี้นิดหนึ่งบังคับแปลงไปนิดหนึ่งนะตอนนี้ใจทื่อๆอยู่รู้สึกไหมค่ะเออให้รู้ไปอ้าวจิ๊บเดี๋ยวเราจะดูฝีมือวิทยากรบ้างละไม่ใช่วิทยากรไม่ไม่จิ๊บมาลาไปก่อนเดี๋ยวจะส่งไปทางนิดวันนี้มันใสขึ้นแบบเมื่อวานเออ่าไปเสร็จแล้ว เมื่อกี้ก็กังวลนะคะว่าำไมมันจะมาหรือเปล่าแต่ก็ช่วงนี้ก็ถ้าดูลายเดือนช่วงนี้ก็ดีกว่าเมื่อได้ที่แล้วดีกว่านะหลายเดือนที่ผ่านมาใจมันป้อแป๊ะไปะเอาชัดส่งกันบ้านนี่คนนี้เป็นตัวอย่างให้พวกเราดูนะอย่าประมาท น, นะเนี่ยหนุ่มๆนุ่มลอยลอยอย่างเงี้ยไปกินเลี้ยงกลับมามอเตอร์ไซค์ชนเคินไม่ได้ตั้งหลายเดือนเ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 แต่ว่าเราภาวนาแล้วเราอยากกลัวนะสมมติว่าเราจะเจ็บจะตายจริ ง, รงๆถึงขนะดที่มันรู้ว่าตายแน่เนี่ยจิตมันจะเปลียติอย่างจิตตอนที่รู้สึกว่ายังไม่ตายเนี่ยนะมันจะพ่อแฝดพ่อแป้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันรู้ว่าต้องตายแน่ๆนวะมันสู้ตายเลยนะสติปัญญาจะหมุนจีขึ้นมาอัตโนมัติครับตับตั้มตั้มรู้สึกไหมตั้มไม่ใช่มนุษย์ปกติ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 ก็ตอนนี้ก็ทําไปสบายครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับจิตไม่ธรรมดาดูออกไหมครับจิตไม่ตั้งมั่นเกินเกินจริงนะครับเกินจริงโอเคพูดอ้อยไม่อ้อยลูกศิษย์อาจารย์ไทยสารอาจารย์ไทยสารบอกลูกศิษย์อาจารย์สมุทชเจ้ตัวเลยเสียใจหาอาจารย์ไม่ได้อ้ว่าไปไม่ได้เป็นวิทยากรค่ว่าเป็นกองเขี่ยวิทยากรเอก็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 เอวังโตุเอวังโตุโยจปุเพปะมัตะวาปัชชาโนะปมัชติโซมังโลกังปะพาเสติอาภาตโวจันติมายสัพาปังกตังกมังปุสเรนะปิหิติโมังโลกังปะพาเสติอภาตโวจันติมาอภวาตนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารธมาวัันติอายุวโนสุขังะลัง